มีพุทธภาษิตบทหนึ่งทรงตรัสไว้ว่าสังขาราสัตตานตินติบุตทานมินชิตังสังขารทั้งหลายที่เที่ยงย่อมไม่มีแต่พระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงวันไหว ต่อสังขาร น, นั่นๆพระพุทธภาศิตนีเป็นข้อปฏิบัติสำหรับพวกเราที่เป็นพุทธบริษัทควรปฏิบัติตามหรือว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่ วันไหวได้เท่าเทียมพธธระพุทธเจ้าแต่เราก็พยายามเดินตามรอยของพระองค์ไม่ใช่นั้นแล้วเราก็ค้นทุกข์ไปไม่ได้สังขาร ก, ก็คือร่างกายทุกข์ชวน ที่ดวงกิจอาศัยอยู่นี่แหละมันถูกปรุงแต่งขึ้นมาด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมมีบุญระบาบที่ตนทำมาจากก่อนน้นมันตามมาตกแต่งตาหูจมูกเลี้งกายมือเท้าอวัยวะน้ยใหญ่ต่างๆให้ส่วนจิตนั้น เมื่อธาตุของมารดาบิดาผสมกันตั้งขึ้นแล้วก็เข้ามาอาศัยที่เรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณจิตวิญญาณก็เข้ามาอาศัยอยู่ในธาตุของมารดากรบิดา โดยมีบุญและบาปเป็นเครื่องตกแต่งอวัยวะน้อยใหญ่นี้ให้ผู้ใดมีบุญหลายบุญก็ตกแต่งร่างกายนี้ให้สมบูรณ์ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมีความเจ็บไข้น้อยผู้ใดมีบาปหลายติดตัวมา บาปนันก็มาตกแต่งอวัยวะร่างกายนี้ให้ไม่สมบูรณ์เต็มไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บเปียดเวียนหาความสบายได้ยากอืมมุนและบาปที่มาตกแต่งร่างกายนี้มันไม่เที่ยงร่างกายนี้มันจะเที่ยงมาแต่ไหน เราต้องสืบสาวหาต้นตอของการเกิดมากเป็นรูปเป็นนามอันเนี้ยต้องสืบสาวดูให้รู้ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่าไปเอาคาสอนผู้อื่นมาเป็นเครื่องวินิจฉัยเพราะคำสอนของผู้อื่นนั้นนอกจากพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์แล้ว เป็นความคิดความเห็นความรู้ที่ไม่ตรงต่อความเป็นจริงเพราะท่านเหล่านั้นยังไม่รู้จริงเห็นแจ้งยังละอาสวะกิเลสไม่ได้ท่านผู้ใดเป็นผู้ละอาสวะกิเลสได้ท่านผู้นั้นแหละเป็นผู้รู้จริงเห็นจริงในชีวิตนี้ตามเป็นจริงโดยเข้าใจอย่างนั้น ไอคนเรามักจะเชื่อพรำบลาไปทั่ว <c oughs> <c oughs> เชื่อพระอินทร์พระพรหมคนเจ้าแม่คนอิมนนก็เอามาเชื่อกันไม่ทราบว่าเป็นมายังไงไอเจ้าแม่คนอิมนั่นได้สร้างบุญบารมีมาอย่งไงก็นับถือกันค้อนประเทศนู้นที่ฟังอยู่แล้ว รูปหล่อเจ้าแม่โกนอิม่มเนี่ยโทเต็มเลยอันนี้แนละอยากจะเตือนเพื่อนพุทธบริษัททั้งหลายอย่า ง, งมงายเพราะว่าหลักสำหรับที่จะให้เราีิสูตรว่าชีวิตนี่มันเป็นมาอย่างไร อันนี้พระพุทธเจ้าเป็นตัวยืนอยู่แล้วเพราะองค์ก็ทรงตรัสว่าสังขารที่เที่ยงย่อมไม่มีแต่พระพุทธเจ้าย่อมไม่วันไหวในสังขาร น, นั้นเรามาปฏิบัติตามนี้กันแหละเราจะไปอ้อนวอนให้ผู้อิเศษใ ด, ดในโลกมาช่วยให้มีชีวิตชีวายั่งยืนนาน ไม่มีโรคภัยมาเบียดเบียนอย่างนี้น่ะมันเป็นไปไม่ได้อคิดดูแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าร่างกายของพระองค์นะบุญกุศลที่พระองค์สร้างมาแต่อเนกขาติเนากมายมาตกแต่งให้อ่ะก็ยังไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนต้องคิดดูอย่างนั้นก็นแล้วกัน ไอคนธรรมดาสามัญน่ะบุญกุศลตกแต่งให้ไม่มากอะไรเลยไม่มากเหมือนพระพุทธเจ้านี่เดี๋ยวจะให้มันเที่ยงมายั้งยืนมาแต่ไหนเดี๋ยวบาปก็ทำอย่างนี้นะไม่ละอายไม่กลัวต่อบาปมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์มันจึงทำกันคนเราน่ะ เหมือนเมื่อเวลาบาปมันให้ผลมาแล้วก็ไปอ้อนวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกนี่ให้มาช่วยเหลือปัดเป่าความทุกข์ต่างๆเหล่านั้นให้ออกไปมันจะไปได้ยังไงแล้วก็ <c oughs> บาปกรรมอนุภาพเพลงบาปมุนเนี่ยมันมีเหนือชีวชิตจิตใจของบุคคล ผู้ใดทำ ม, มันมันก็มีอำนาจเหนือชีวิตของผู้นั้นผู้ใดไม่ทำ ม, มันก็ไม่มีอำนาจที่จะไปครอบงำได้นี่เราต้องเข้าใจอย่างนี้ <c oughs> ดังนั้นเนี่ยไม่ควรที่จะไปอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใด้ถ้ามันวิบัติมาแล้วแก้ไขไม่ตกก็โยนให้กรรม เราต้องทำกรรมชั่วอย่างใดอย่างหนึ่งมาแต่ก่อนกรรมชั่วนั้นมาตามมาสนองเอาเราไม่ต้องเสียใจเพราะว่าตั้งแต่ก่อนโน้นมันไม่รู้มันถึงได้ทำกรรมชั่วแต่รู้อย่างปัจจุบันนี้แล้วจะไม่ทำต่อไปอีกขออธิษฐานใจละเว้นการเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นทุกชนิด จะไม่เบียดเบียนใครเลยแม้ใครจะมาเบียดเบียนตนตนก็จะไม่ตอบอืม <c oughs> ถ้าการตอบโต้กันไปมันก็เป็นกรรมวินวินตามสนองกันไปไม่รู้จักจบจากสิน้นถ้ากรรมเวนหนนหลังมีบันดาลให้เขามาทําร้ายทําลายชีวิตก็แล้วไป เราไม่ต้องไปผูกโกรธูกพยาบาทบูกคนผู้ทำลายตนไม่เช่นนั้นเวรมันก็ไม่จบสักทีมันก็ตามผูกพันกันไป <c oughs> นี่เราต้องรู้อย่างนี้รู้วิถีทางแห่งชีวิตเนหะมือนถึงถูกต้องตามความเป็นจริง <c oughs> ถ้ารู้ไปอย่างอื่นแล้วไม่ตรงต่อความเป็นจริง<ม>ก็ถ้าหากว่ามันไม่เป็นอย่างว่านี่นะคนเราเกิดมามันก็ต้องเหมือนกันสิมันก็ต้องมีชีวิตมีร่างกายเหมือนกันดีก็ต้องดีเหมือนกันเลวก็ต้องเลวเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> แต่นี่มันหาเป็นเช่นนั่นไม่บางคนก็มีอายุสั้นบางคนก็มีอายุยืนยาวนานบางคนก็มีผิวพรรณสวยสดงดกามบางคนก็มีผิวพรรณตำซ้มผิวพรรณไม่พุทธอง มีผิวพันุ์สูบซีดอย่างนี้นะบางคนก็มีอวัยวะร่างกายไม่สมประกอบมีวิบัติส่วนใดส่วนหนึ่งเราเห็นกันอยู่ดาาตื่นก็ที่มันเป็นทางนี้ก็เพราะอะไรล่ะ ก็ะพาะกรรมนั่นแหละเป็นเครื่องตกแต่งต้องเรียนให้รู้เพราะต่างคนต่างทาเอามานี่มันทำกรรมดีหรือกรรมชั่วไม่เหมือนกันสุดแล้วแต่จิตมันน้อมไปอย่างไรมันก็ทำไปอย่างนั้นเวลากรรมนั่นมาให้ผลมันจึงไม่เหมือนกัน นี่เราต้องเรียนรู้เหตุปัจจัยของชีวิตอย่างนี้ <c oughs> <c oughs> เมื่อรู้อย่างนี้แล้วทำอย่างไรก็ฝึกจิตของตอนอย่าให้มันวันไหวเหมือนอย่างพระพุทธเจ้านั่นแหละเพราะว่าร่งกายสังขารธาตุสี่ดินน้ำไฟลม อันนี้นะมันก็เป็นส่วนหนึ่งไม่ใช่อันเดียวกันกับดวงจิตจิตนี่ก็เป็นธรรมชาติรู้ไอ้ดินน้ำไฟลมไม่ใช่ธาตุรู้ไม่รู้อะไรเราต้องแยกประเภทดูอย่างนี้ส่วนนามธรรม คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็อาศัยกายกับจิตนี่แหละกระทบกันเข้าจึงได้เกิดเป็นนามธรรมนี้ขึ้นมานี่เดี๋ยวเราพรึกจิตนี้ไอ้มันตั้งมั่นไม่หวั่นไหวต่อรูปทรรมนามธรรมอันมันวิบัติแปลปูนไปตามเหตุตามปัจจัยของมัน <c oughs> อันนี้เป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่ต้องการจะพ้นจากทุกขเมื่อทุกภัยในสงสารเมื่อต่อความเกิดเมื่อต่อความแก่เมื่อต่อความเจ็บไข้ได้ป่วย เมื่อต่อความตายกะใครๆก็ไม่อยากตายเกิดมาแล้วนะแต่จำก็ต้องก้มหน้าตายหมดบุญหมดกรรมลงไปเมื่อใดแล้วอยู่ไม่ได้ใครก็ไม่อยากเจ็บป่วยไข้อยากมีร่างกายสมบูรณ์อยู่ตลอดไปแต่แล้วมันก็ไม่เป็นไปตามใจหวัง เวลามันอยู่ดีสบายมันลืมตัวเวลาโรคภัยเบียดเบียนเข้ามาแล้วก็ทุกร้อนเออคนเราเป็นอย่างนั้นความประมาทความไม่ภาวนาไม่ปฏิบัติตามคําสอนของพระเจ้าเมื่อเวลามันสบายอยู่เนี่ยโรคภัยเบยเบียดเบียนนี่เนี่ยมันทำให้คนเราประมาทลืมตัว ไม่ฝึกฝนจิตของตนปล่อยให้จิตบรรเละล่อนพาเนจรไปทั่วแห้จิตมันหลงรักบ้างหลงชังบ้าง <c oughs> หลงถือเราหลงถือเขาหลงถือโนนถือนี้อันนั้นก็ว่าของเราอันนี้ก็ของเขา เราเป็นอย่างนั้นเขาเป็นอย่างนี้เรายากจนเขาร่ำรวยหรือว่าเราร่ำรวยคนอื่นก็ยากจนดูถูกดูหมิ่นคนยากคนจนไปมันมีแต่เขามีแต่เราอยู่ในใจนี่คนหลงคนเมาเป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นมันถึงได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันมันจึงพ้นทุกข์พ้นภัยไปไม่ได้เราต้องภาวนาละความว่ามีเขามีเราอยู่ในใจในี่ออกไปเพราะมันผิดไปจากความเป็นจริงคำว่าเขาคำว่าเราคำว่าของเขาของเรา อันนี้ถ้าว่าโดยสมมติแล้ว อ, อยอมรับแต่ถ้าว่าโดยปรมัตดแล้วไม่ใช่เป็นไปไม่ไดม้มันต้องแบ่งออกเป็นสองส่วนอย่างนี้ถ้าว่าโดยสมมติแล้วก็จริงแหละถ้าไม่สมมติอย่างนี้มันก็ไม่รู้เรื่องกั น, นก็ไม่ทราบว่าของใครตกใครผลเพรงกันไปหมดเดี๋ยวก็ แย่งการข้ากันตายหมดเลยอย่างว่านางเนี่ยอ้าวนานี่แดนนี่นมีมีหลักเขตนี่นาเราอันนั้นนานาเขาอันนี้แดนบ้านของเราอันนั้นแดนบ้านของเขาเช่นนี้ก็จึงไม่ร่วงล้ำกันไม่ทะเลาะกันในสมมติอย่างนี้เรายอมรับ แต่ว่าสมมติเหล่านี้เป็นของไม่กีรังยั่งยืนนั่นะถ้าว่าโดยปรมามัิแล้วมันไม่มีของใครพอใครก็ไม่มีกรรมสิทธิ์ได้ตลอดไปมีกรรมสิทธิ์ได้อยู่ทั่วชีวิตหนึ่งเท่านั้นเนี่ยพอตายลงแล้วก็เป็นสมบัติผู้อื่นไปเป็นของผู้อื่นไป <c oughs> อย่าว่าแต่สมบัติภายนอกเนี่ยแต่กายสมบัติอันนี้ซึ่งเป็นของหวงแหนมากเป็นของรักมากแต่มันก็ยังบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวัง อย่าเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นอย่าเป็นอย่างนี้มันก็เป็นไปอย่างนี้แหละโะจงม่ว่าพระพุทธเจ้ายัางสอนให้เราฝึกนั่งสมาธิภาวนาคมจิตที่มันเลื่อนลอยฟุ้งซ่านให้มันสงบลงให้มันตั้งมั่นลงไปต่อบุญต่อคุณไว้ก่อน <c oughs> ถ้าไม่ฝึกอย่างนี้แล้วใจมันลอยมันลอยไปตามกระแสของโลกลอยไปตามสมมุติมันยัดอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละทีนี้ถ้าเรายืนหยัดโยไม่วันไวพยายามฝึ ก, กจิตให้หนักแน่นลงไปเวลาโรคไฟเบียดเบียนมาก็ไม่ต้องเดือดร้อน อาส่วนร่างกายมันวิบัติก็เป็นส่วนหนึ่งตังหากจิตใจไม่ได้วิบัติตามร่างกายเพราะจิตนั้นเป็นนามธรรมไม่มีรูปร่างเหมือนร่างกายมันจะอะไรมาวิบัติอยู่นั่นจิตวิบัติก็คือจิตแปลปวนไปตามราคะโทสะโมหะนั่นจิตวิบัติ <c oughs> ราคะโทสะโมหะนี่พรทศาเปรียบไว้เหมือนกับไฟเป็นของร้อนเมื่อมันเผารนจิตใจเข้าไปแล้วก็ทำใจให้เราร้อนหาที่อยู่ไม่ได้นั่งก็ไม่ได้นอนก็ไม่ได้เดินไปก็เดือดร้อน เมื่อกี้เลยเหล่านี้มันเผาโรนเข้าไปแล้วนะอมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนะการฝึ ก, กจิตให้มันตั้งมั่นก็เพื่อไม่ให้ราคะโทสะโมหะเนี่ยครอบงามได้เดี๋ยวฝึกให้มันตั้งมั่นเข้าไปแล้ววันนี้เมื่อเวลาเรื่องใดเกิดขึ้นมา ดีก็ดีชั่วกว็ดีเราก็ใช้ปัญญาพิจารณาให้รู้เห็นตามความเป็นจริงในเรื่องนั้นๆเรื่องใดก็ตามที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเบื้องต้นเราก็แปรปรวนในถ้ำกลางแตกดับในที่สุดเป็นอย่างนี้ทุกเรื่องทุกอย่างไปเลยสิ่งที่มีวิญญาณครองก็ตามไม่มีวิญญาณครองก็ตาม ก็มันเป็นอย่างนี้สี่มีรูปก็าตามที่ไม่มีรูปก็าตามเหมือนกันเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนแตกลับไปเหมือนกันหมดต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้มันเห็นชัดตามเป็นจริงอย่างนี้แล้วสกดจิตของตนว่าให้วันไว้ไปตาม ความวันไหวของนามของรูปเหล่านั้นทีแรกนี่มันก็ต้องสะกดก่อนแหละต้องอดกัน้นทนทานอย่างนั้นเมื่อความอดมันขึ้นสุดขีดมันมีกำลังเต็มที่แล้วมันก็เอาชนะทุกได้ไม่ต้องอดกั้นให้ยากต่อไป มันทักอดเองมันแบบนี้ฝึกแค่มันจนชินน่ะเวลาร่างกายวิบัติแปลพวนไปเราก็ไม่แสดงอาการเศร้าโศกเสียใจอะไรอย่างนี้นะแม้มันจะเกิดทุกขเวทนาขึ้นในร่างกายในจิตใจอันนี้ก็ตามก็ไม่วันไว ก็เพราะว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ของเรามันมันบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวังเและจะวันไหวไปตามมันทําไมในเมื่อเห็นว่าไม่ใช่ของเราแล้วเราก็ไม่ต้องวันไหวไปตามมันก็ใช้ปัญญาสอนใจตัวเองเข้าไปอย่างนี้ <c oughs> ไอ้ใจเนี่ยมันจะปรงมันจะวางมันจะไม่ยึดถืออะไรต่ออะไรก็เพราะปัญญาสอนเรามีอุบายสอนตัวเองมันเป็นยางงั้นแต่จะให้ต่ผู้อื่นสอนอย่างเดียวมไม่ไหวมันปรงมันวางอะไรไม่ได้ดอกตัวเองนั่นสอนตัวเองเข้าไปอีกทีหนึง่ง เมื่อจำอุบายจากผู้อื่นที่ท่านสอนนะจำอุบายได้แล้วก็เอาไปนั่งสงบจิตสอนตัวเองเข้าไปอย่างนี้เนะี่ยมันก็ได้นะมันก็มันก็เชื่อตัวเองเนบันนี้เชื่อปัญญาของตนเองสิ่งใดที่ปัญญาสอนให้ละมันก็ละสิ่งใดสอนให้วางมันก็วาง ลอยวางลงไป <c oughs> เป็นอย่างนี้อันวิธีปฏิบัติทางจิตใจในพุทธศาสนานี่นะ <c oughs> <c oughs> พยายามสอนจิตอันนี้แบบไปเรื่อยเรื่อยแต่มันไม่ใช่ว่ามันจะ สม่ำเสมอเลยไปนะบางทีมันก็เผ้อไปอา้าวเกิดความยุ่งขึ้นมายุ่งขึ้นมาก็ตั้งเข้าไหมพิจารณาตามแนวเดิมนี่แหละเอาพิจารณาให้มันลงไปถึงที่มันถึงความจริงให้ได้เมื่อพิจารณาเพ่งพิจารณาลงไปมันถึงความจริงมาแล้วมันก็ยุติลง เรื่องวุ่นวายต่างๆนั่นน่ะไม่ใช่ว่าเราพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วลงวางลงแล้วมันจะเล้วไปเลยมันจะไม่กลับหลงกับพุ่งส้านไปอีกไม่ใช่เมื่อมันยังอริยมรรคยังไม่บริบูรณ์เต็มที่ยังตักกิเลส ให้ขาดจากสันดานไม่หมดตราบใดแล้วเอมันก็จะต้องมีหลงแล้วก็มีรู้สลับกันไปอยู่อย่างนี้แหละแต่ว่าเราพยายามให้มันรู้แจ้งมากกว่าให้มันหลงให้มันหลงแต่น้อยให้มันรู้นั่นมากใช่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหละ เมื่อได้ <c oughs> ยินได้ฟังแล้วก็ให้พึ่งพากันจำอุบายนี่ไว้ไปประพฤติปฏิบัติตามก็คงได้บุญได้กุศลได้ความรู้ความเข้าใจในธรรมคำสอนของอุปเทเจ้าตามความสามารถของตนของตนดังแสดงมา